พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจะเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราคุ้มทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบว่าด้วยการมีศีล 1. ภ้ากาสี 2. รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตา 3. าผู้ที่ควรเข้าใกล้ 4. ละได้จากอยู่เป็นพระ 5. สมณพราหมณ์ที่น่านับถือ 6. ผลประโยชน์ของความเป็นสมณะ 7. ผู้ละความทุศีลเสียได้ 8. ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาธิพรหมจริยศีล ผู้มีศีลไม่ทำลายพืชจะรคามและภูตคามผู้มีศีลไม่กระทําการบริโภคสะสมผู้มีศีลไม่ดูการเล่นผู้มีศีลไม่เล่นการพนันผู้มีศีลไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่ผู้มีศีลไม่ประดับตกแต่งร่างกายผู้มีศีลไม่พูดคุยเดรฉานากถาผู้มีศีลไม่กล่าวคำแก่งแย่งกัน ผู้มีศีลไม่เป็นทูตนำข่าวผู้มีศีลไม่ล่อลวงชาวบ้านผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลางผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายลักษณะสิ่งของผู้มีศีลไม่เป็นหมอทำนายการรบพุ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอโหราศาสตร์ผู้มีศีลไม่เป็นหมอทำนายดินฟ้าอากาศผู้มีศีลไม่เป็นหมอดูเริกยาม ผู้มีศีลไม่เป็นหมอผีและหมอยา 9. อาอธิศีและศิคา 10. สมณ ก, กิจ 11. กิจของชาวนา 12. ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน 13. เครื่องมือละกิเลส 14. เมื่อมีศีลควรส่งตนไปในแนวเผากิเลส 15. อริยกันตศีลส6 ศีลอยู่เคียงข้างกับปัญญาเสมอ17ชเจำระศีลและทิฏฐิให้บริร 18. สุทธิ์ก่อนสศีลเป็นฐานรองรับสติปัฏฐานสีน่สศีลเป็นฐานรองรับสติปัฏฐานสี่อีกในหนึ่งี 20. สศีลเป็นฐานรองรับโพชฌงเจ็21ศีลเป็นฐานรองรับอริยมรรคมีองค์8 22 ศีลและสมบัติเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรค3สศีลและสมบัติเป็นธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก 24. สีศีลและสมบัติช่วยทำให้อริยมรรคเจริญเต็มที่ 25. ผู้มีศีลจกถึงแก่นธรรม 26. อำนาจศีลที่เป็นตัวกุศล 27. อานิสงส์สำหรับผู้ทาศีลให้บริบูรณ์28 ผู้อยู่เหนือความหวัง 29. เมื่อราชามีกำลังส0สประสบบุญใหญ่คุ้มทรับจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบว่าด้วยการมีศีล ปฏิปักขันของหมวดหนึ่งอันว่าด้วยการทุศีลผ้ากาสีภิกษุทั้งหลายผ้ากาสีแม้ยังใหม่อยู่สีก็งามนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อ ราคาก็แพงอยู่นั่นเองผ้ากาสีแม้ที่เก่าคร่ำแล้วคนทั้งหลายก็ยังใช้เป็นผ้าห่อรัตนะหรือเก็บไว้ในหีบอบภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นภิกษุแม้เพิ่งบวชใหม่ถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพันงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบ อันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใลรใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี่ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่ง ภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจใจเพศบระคานของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุมชิมะภูมิถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงาม เราก็กล่าวว่ามีผิวพันงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิสษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิสษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัว เหมือนผ้ากาสีนุ่งขมเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบินบาตเสนาสนะและคีราณปัจจยเพศบริบรขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่แค่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่า มีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้ผู้เป็นเทระถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวผันงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์ สิ่งอันเป็นความสุขกระชนเหล่านั้นนั่นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งข่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบินบาตะเสนาสนะและคีรานปัจจัยเพศบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่ มีอนิสงส์ใหญ่แฉชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุผู้เถระเช่นนี้กล่าวอะไรขึ้นในธรรกลางสงภิกษุทั้งหลายก็ช่วยกันบอกกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงเถิดภิกษุผู้เท่าจะกล่าวธรรมและวินัยบัดนี้ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นให้เหมือนอย่าง้ากาสีไม่เป็นอย่างภาพเปลือกปอละดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตาพิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือพิกษุนีก็ตามแม้จะทุกข์กายทุกใจถึงน้ำตาหนองหน้าร้องไหยอย้อยู่ก็ยังสู้ปรเพื่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่ง ธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 2. องธรรมที่ชื่อว่าหิริในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 3. ามธรรมที่ชื่อว่าโอตปะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 4. ี่ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอห้าธรรมที่ชื่อว่าปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ได้มีแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือพิกษุนนี้ก็าตามแม้จะทุกกายทุกใจถึงน้ำตาหนองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้ห้าอย่างเหล่านี้แล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 การพูดกันถึงเรื่องศีลสมาธิและปัญญาของเรานั้นก็จะมีได้ด้วยการพูดกันของเรานั้นจกไปกันได้ด้วยและการพูดกันของเรานั้นจะเป็นความสบายอกสบายใจด้วยเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเป็นผู้ที่ทุกคนควรครบหาสมาคมควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าที่ต้องสักกาะระเคารพเสียก่อนแล้วจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้ ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญายิ่งกว่าเราบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่ต้องสักการะเคารพเสียก่อนแล้วจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะได้ทํากองศีลกองสมาธิและกองปัญญาของเราที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์บ้างเราจะได้ประครับประคองกองศีลกองสมาธิและกองปัญญา ที่บริบูรณ์แล้วไว้ได้ด้วยปัญญาในธรรมนั้นนั้นบ้างเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเป็นผู้ที่ต้องสักการะเคารพเสียก่อนและจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้แล ละได้จากอยู่เป็นพระภิกษุทั้งหลายความโคตรทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ต้องหลวนไปเองจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทําแล้วในหกวัน ตั้งตรงไม่ได้ต้องตะแคงล้มไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝ่าทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็าตามอันเธอละได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ได้เองในธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทาแล้วนานถึงหกเดือน ยอนหกวันกลิ้งไปตั้งตรงอยู่ได้ไม่ล้มฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงมสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักละความคดทางกายโทษทางกายกิเลสเพียงดังน้ำฝ่าทางกายจักละความคดทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงดังน้ำฝ่าทางวาจ า, า, าจาัจากละความคดทางใจโทษทางใจ กิเลสเพียงดังน้ำฝาทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเพิงสสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลสมณะพราหมณ์ที่น่านับถือดูขอนพราหมณ์และข้บดีทั้งหลาย ถ้าพวกปริพาชกผู้เถอละที่อื่นจะพึงถามท่านทั้งหลายว่าสมณะหรือพรามชนิดไหนเล่าที่พวกท่านพึงสักการะเคารพนับถือบูชาดังนี้ไซเมื่อพวกท่านถูกเขาถามเช่นนี้แล้วพึงตอบแก้ก่เขาว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะในรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้สึกด้วยจมูกรสที่รู้สึกด้วยลิ้น โพธภาที่สัมผัสด้วยกายธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจแล้วมีจิตสงบหน้าภายในประพฤติมารยาทเรียบร้อยทั้งทางกายวาจาและใจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นประเภทเดียวที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแม้พวกเราทั้งหลายยังไม่ประสจากราคะโทสะโมหะในรูปที่เห็นด้วยตาละถึง ทำมารมที่รู้แจ้งด้วยใจแล้วมีจิตยังไม่สงบได้นภายในยังประพฤติเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างทั้งทางกายวาจาและใจก็จริงแลแต่ความประพฤติเรียบร้อยเด่นชัดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจักเป็นของเราผู้เห็นอยู่ซึ่งตัวอย่างอันยิ่งเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์พวกนั้นจึงเป็นผู้ที่ควรสักกระะเคารพนับถือบูชาสำหรับเราทั้งหลายโดยแท้ ผลประโยชน์ของความเป็นสมณนะภิกษุทั้งหลายผลของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าโซดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลเหล่าใดแลภิกษุทั้งหลายผลเหล่านี้เราเรียกว่าผลของความเป็นสมณนะภิกษุทั้งหลายประโยชน์ของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะอันใดแลภิษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าประโยชน์ของความเป็นสมณนะภิษุทั้งหลายความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าปริยะอาจทังที่กระมักนี้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องการพูดจาอันถูกต้องการทำการงานอันถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องความพยายามอันถูกต้อง ความมีสติครองตนอันถูกต้องความปักใจแน่วอันถูกต้องภิกษุ์ทั้งหลายอริยะอาจทางที่เกลมักอันนี้เราเรียกว่าความเป็นสมณนะผู้ละความทุศีนเสียได้ ภิกษุทั้งหลายความสังนัดคือห่างไกลจากบาปธรรมอันยิ่งสําหรับพิกษุในธรรมวินัยนี้มีสามอย่างเหล่านี้เท่านั้นสอย่างอะไรบ้างเล่าสอย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลและความทุศีลเสียได้และสงอาจากความทุศีลนั้นด้วย 2. เป็นผู้มีความเห็นชอบและความเห็นผิดเสียได้และสงอาจากความเห็นผิดนั้นด้วย สเป็นผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วและอาสะวะทั้งหลายเสียได้และเป็นผู้สังหาจากอาสะวะทั้งหลายนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุมีคุณธรรมสามอย่างดังกล่าวนี้แล้วเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระแล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีของข้าบดีชาวนามีผลได้ที่แล้ว พระบดีชาวนาก็รีบรีบให้เกี่ยวข้าวนั้นครั้นแล้วก็รีบรีบให้เก็บขนครั้นแล้วก็รีบรีบให้นำขึ้นไปไว้ในลานครั้นแล้วก็รีบรีบให้ทำเป็นกองครั้นแล้วก็รีบรีบให้นวดครั้นแล้วก็รีบรีบให้สงฝางครั้นแล้วก็รีบรีบให้สาดครั้นแล้วก็รีบรีบให้สีครั้นแล้วก็รีบรีบให้ซ้อมครั้นแล้วก็รีบรีบให้ฝัดแกลบ เมื่อเป็นเช่นนี้เข้าเปลือกของข้าบรีชาวนา น, นั้นก็เป็นอันถึงที่สุดถึงแก่นสะอาดตั้งอยู่ในความเป็นเข้าสารได้ชั้นใดก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลและความทุศีลเสียได้และสงอาจจากความทุศีลนั้นด้วยเป็นผู้มีความเห็นชอบและความเห็นผิดเสียได้และสงอาจจากความเห็นผิดนั้นด้วยเป็นผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วและอาสะวะทั้งหลายเสียได้ และเป็นผู้สั่งาจจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วยพิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระแล้วฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วมหาราชาภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่าผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาทิพรหมจริยศีลมหาราชาภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปานติบาตเว้นขาจาปานติบาตวางท่อนไม้และศาสตราเสร็แล้วมีความละอายถึงความเอนโดกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละอทินนาทานเว้นขาจากอาัทินนาทานเธอเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยอยู่แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติทางไกลเว้นขาจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้าน แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละมุสาวาตเว้นข่าจากมุสาวาดพูดแต่ความจริงรักษาความสัตว์มั่นคงในคําพูดควรเชื่อเธอได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคําส่อเสียดเว้นข่าจากคําส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอบฝ่ายโน้นเพื่อให้ฝายนี้แตกแกรกัน เราได้ฟ<ๆ>ังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่นํามาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกันแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้พร้อมเพียงกันแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง เป็นผู้ละ ก, การกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์ เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการล้างพลานเพื่อจะคามและภูตะคามเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีและวิการเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำการขับร้อง การประโคมและการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกแกกุศลเป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดาเพอทัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมและเครื่องรูปทาเป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทองเป็นผู้เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือกเป็นผู้เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเป็นผู้เว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง เป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาตหญิงและ่าชายเป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะแจะไก่สุกรช้างโคม้าทั้งผู้และเมียเป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวนเป็นผู้เว้นขาดจากการรับใช้เป็นธูตไปในที่ต่างๆให้ครรหัดเป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขายเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการลวงด้วยของปลอมและการช่อด้วยเครื่องนับ เครื่องตวงและเครื่องวัดเป็นผู้เว้นข่าจากการโกงด้วยการรับสินบนและล่อลวงเป็นผู้เว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจำจองการซุ่มทําร้ายการปล้นและการกันโชคแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหนึ่ง มีศีลไม่ทําลายเพื่อจะขามและภูตะขามอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังทําเพื่อจะขามและภูตะขามไม่กาเริบคืออะไรบ้างเพือเพื่อที่เกิดแต่รากเพื่อที่เกิดแต่ต้นเพื่อที่เกิดแต่ผลเพื่อที่เกิดแต่ยอดและเพื่อที่เกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ห้าส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการทำเพื่อจัามและภูตคามเห็นปานนั้นให้กำเริบแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่ทำการบริโภคสะสมอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการบริโภคสะสมอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือสะสมข้าวบ้างสะสมน้ำดื่มบ้างสะสมผ้าบ้างสะสมยานพาหนะบ้างสะสมเครื่องนอนบ้างสะสมของหอมบ้างสะสมอาวิธบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเวินขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีงของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่ดูการเล่นอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ดูการเล่นกันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือดูฟ้อนฟังขับฟังประโคมดูไม้ลอยฟังนิยายฟังเพลงปรบมือฟังตีคองฟังตีระนาดดูหุ่นยนฟังเพลงขอทานฟังแคนดูเล่นหน้าศกดูชนช้างแข่งมา้าชนกระบือชนโคชนแพ ชนแกะชนไก่ชนนกระทาดูรำไม้รำมือชกมวยดูเขารบกันดูเขาตรวจพลดูเขาตั้งกระบวนทัพดูกองทัพที่จัดไว้ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการดูการเล่นเห็นปาา น, นั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง มีศีลไม่เล่นการพนันอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้เล่นการพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคเล่นหมากรุกชนิดแถวละแปตาบ้างสิบตาบ้างเล่นหมากเก็บเล่นชิงนางหมากไหวโยนห่วงไม้ขึง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆทอดลูกบาศกเป่าใบไม้เล่นไถยน้อยเล่นหกขเมนเล่นไม้กลงหันเล่นตรงทรายเล่นรถน้อยทนูน้อยเล่นเขียนไทยกันเล่นไทยใจเล่นล้อคนพิการบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาจากการเล่นพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นบานนั่นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง มีศีลไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางคนฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัท ธ, ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทําการนอนบนที่นอนสูงใหญ่กันอยู่หนึ่งๆคืออะไรบ้างคือนอนบนเตียงมีเท้าสูงเกินประมาณบนเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้ายบนผ้าโกเชาวขนยาวบนเครื่องลากขนแกะวิจิตด้วยลายเย็บ เครื่องลากขนแกะสีขาวเครื่องลากขนแกะมีสันฐานดังพวงดอกไม้เครื่องลากมีนุ่นภายในเครื่องลากวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายเครื่องลากมีขนขึ้นข้างบนเครื่องลากมีชายครุยเครื่องลาดทอด้วยทองเงินแก่ไหมเครื่องลาดทอด้วยไหมคลิบทองเงินเครื่องลากขนแกะใหญ่พอนางฟ้อนได้สิหคนเครื่องลากบนหลังช้างเครื่องลาบนหลังม้าเครื่องลาบนรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังอชินะเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานแดงมีหมอนข้างแดงส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เห็นปานนั่นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง มีศีลไม่ประดับตกแต่งร่างกายอีกอย่างหนึ่งเมื่อชั mn ะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัท ธ, ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นปานนี้กันอยู่เนือ ง, งคืออะไรบ้างคือการอบตัวการเคล้นตัวการอาบสำอางการนวดเนื้อการส่องดูเงาการหยอดตาให้มีแววคมขำการใช้ดอกไม้ การทาของหอมการผัดหน้าการทาปากการผูกเครื่องประดับที่มือและผูกเครื่องประดับที่กลางกระหม่อมการถือไม้ถือการห้อยแขวนกล่องกลักอันวิจิตรการคาดดาบการคาดพระขันการใช้ร่มและรองเท้าอันวิจิตรการใส่กรอบหน้าการปักปิ่นการใช้ผ้าสวยงามการใช้ผ้าชายเฟ้ยและอื่นๆส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการประดับตกแต่งร่างกายเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่พูดคุยเดยรฉ า, านกขาอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางผู้ฉันโพชนะทิทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการคุยด้วยเดรชานกถากันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือคุยกันถึงเรื่องเจ้านายบ้างเรื่องโจรบ้างเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องของหน้ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาก เรื่องยานพาณิเรื่องบ้านเรื่องจังหวัดเรื่องเมืองหลวงเรื่องบ้านนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องความแปลกประหลาดต่างๆเรื่องโลกเรื่องสมุดเรื่องความฉิบหายและเจริญบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการคุยด้วยเรยฉานกถาเห็นป่านันเสียแล้ว แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลเมื่อกล่าวคําแก่งแย่งกันอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัท ธ, ธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้กล่าวถอยคําแข่งแย่งกันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือแข่งแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้เขาพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้อย่างไรได้ท่านปฏิบัติผิดเขาพเจ้าปฏิบัติถูกถอยคําของเขาพเจ้าเป็นประโยชน์ถอยคําของท่านไม่เป็นประโยชน์คําควรพูดก่อนท่านมาพูดทีหลังคําควรพูดทีหลังท่านมาพูดก่อน พ่อที่ท่านเคยเชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วข้าพเจ้ายกคำพูดเก่าท่านได้แล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วท่านจงถอนคำพูดของท่านเสียหรือท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดส่วนพิษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการกล่าว้อยคำแก่งแย่งเห็นปานันเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง ศีลไม่เป็นทูตนําข่าวอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการรับเป็นทูตรับใช้เปในที่นั้นๆกันอยู่หนึ่งๆคืออะไรบ้างคือรับใช้พระราชาบ้างรับใช้อามาตย์ของพระราชาบ้างรับใช้กษัตริย์รับใช้พราหมณ์รับใช้ข้าบดีและรับใช้เด็กๆบ้างที่ใช้ว่า ท่านจงไปที่นี้ท่านจงไปที่โน้นท่านจงนำสิ่งนี้ไปท่านจงนำสิ่งนี้ในที่โน้นมาดังนี้ส่วนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เธอเว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตรับใช้เป็นนที่ต่างๆเห็นป่านั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง มีศีลไม่ล่อลวงชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะทีิทยกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้สแสวงหาลาภด้วยการกล่าวคำล่อหลอกการกล่าวคำพิริพิไรการพูดแวดล้อมด้วยเล่ห์การพูดให้ทายกเกิดมาณนะมุทะลุในการให้และการใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธ อ, อเว้นขาดจากการแสวงหาลาบโดยอุบายหลอกลวงเช่นนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลางอีกอย่างหนึ่ง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 ทำพิธีเบิกแวนเวียนเทียนทำพิธีซัดโปรแกลบทำพิธีซัดโปรรำทำพิธีซัดโปรเข้าสารทำพิธีจองเปลี่ยงทำพิธีจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าทำพิธีพลีด้วยโลหิตบ้างเป็นหมอดูอาย ว, วะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไรนาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอทำยันกันบ้านเรือนหมงูหมอดับพิษ หมอแมลงป่องหมอหนูกัดหมอไทยเสียงนกเสียงกาหมอไทยอายุหมอกันลูกสอนกันปืนหมอดูรอยสัตว์ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทมเดราชาวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง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 ลักษณะธนูลักษณะอาวุธทายลักษณะหญิงลักษณะเด็กชายลักษณะเด็กหญิงลักษณะทาตลักษณะทาสีทายลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอุสภะลักษณะโคลักษณะแพะลักษณะแกะลักษณะไก่ลักษณะนกกระทาลักษณะเฮียลักษณะสัตว์ชื่อกันยกาลักษณะเต่า ลักษณะเนื้อบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรฉ า, านวิชาเห็นป่า น, นั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง มีศีลไม่เป็นหมอทำนายการรบพุ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรฉ า, านวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างเคอดูเลอกยาตราทับให้แก่พระราชาว่าวันนั้นควรยกวันนั้นไม่ควรยกพระราชาภายในจกักรุกพระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจากรุกพระราชาภายในจากถอยพระราชาภายในจากชนะพระราชาภายนอกจากแพ้พระราชาภายนอกจากชนะพระราชาภายในจากแพ้องค์นี้จากแพ้องค์นี้จากชนะบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรฉานวิชาเห็นปานนั่นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง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 ทำนายว่าจะมีโอกกาบาดหุมเพลิงแผ่นดินไว้ฟ้าร้องบ้างทำนายการขึ้นการตกการหมองการแพ่วของดวงจันดวงอาทิตย์และดาวจะมีผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง มีศีลไม่เป็นหมอทํานายดินฟ้าอากาศอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะทิทายกถวายด้วยศรัท ธ, ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างเพื่อทํานายว่าจะมีฝนดีบ้างจากมีฝนแล้งบ้างอาหารหาง่ายอาหารหายากจะมีความสบายจากมีความทุกข์ จากมีโรคจากไม่มีโรคบ้างทานายการนับคะแนนคิดเลขประมวลแต่งกาบกรอนสอนตำราว่าด้วยทางโลกดังนี้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรฉ า, านวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสีงของเธอประการหนึ่ง ศีลไม่เป็นหมอดูเรกยามอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรชานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือดูเรกอาวาหะดูเรกวิวาหะดูเรกทำการผูกมิตรดูเรกทำการแตกราวดูเรกทำการเก็บทรัพย์ ดูเริกทำการจ่ายทรัพย์ลงทุนดูโชคดีโชคร้ายบ้างให้ยาบำ ร, รุงคันบ้างไร้มนผูกยึดปิดอุดบ้างไร่มนสลัดไร่มนกั้นเสียงเป็นหมอเชิญผีถามบ้างเชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้างถามเทวดาบ้างทำพิธีบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงมหาพรหมไร้มนพ่นไฟไร้มนเรียกขวัญให้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอผีและหม อ, อยาอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพรามบางพวกแฉนโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัท ธ, ธาแล้วท่านเหล่านั้นย่อมสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรฉ า, านวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือบนขอลาบผลต่อเทวดาทำการบวงสวงแก้บนสอนมนกันผีกันบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทาการบวงสวงในที่ปลูกเรือน พ่นน้ำมนต์บูชาเพลิงให้บ้างประกอบยาสำรอกให้บ้างประกอบยาประจุประกอบยาถ่ายโทษข้างบนประกอบยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูทำยาหยอดตาประกอบยานัดประกอบยาทำให้กัดประกอบยาทำให้สมานเป็นหมอป้ายยาตาเป็นหมอผ่าบาดแผลเป็นหมอกุมารหมอพอกยาแก้ายาให้บ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราชะภิกษุนั้นแหลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมไม่แลเห็นภัยแต่ที่ไหนไหนที่จะเกิดเพราะเหตุศีละสังวรเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มรธาพิเศษแล้วมีปัจจามิตรอันกาจัดเสียได้แล้วย่อมไม่เห็นภัยแต่ที่ไหนไหนเพราะเหตุฆ่าศึกฉนั้น เธอประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยคุณนี้แล้วย่อมได้สวยสุขปัญหาโทษมิได้ณภายในมหาราชะภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้แหล ที่ศีลและศึกขาภิกษุทั้งหลายอาีิศีลและศึกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสัมรวมด้วยปาติโมคะสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโครจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศึกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายการปฏิบัติอย่างนี้เราเรียกว่า อธิศีหสิขาสมณกิจภิกษุทั้งหลายกิจของสมณะที่สมณะต้องทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือหนึ่ง การสมาทานการปฏิบัติในศีลแอนยิ่ง 2. การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง 3. การสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกสุทั้งหลายกิจของสมณะที่สมณะต้องทำมีสามอย่างเหล่านี้แลภิกสุททั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนีกใจไว้อย่างนี้หล ของชาวนาภิกษุทั้งหลายจิตของข้าบดีชาวนาที่เขาต้องทําก่อนแห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือกมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือข้าบดีชาวนาในโลกนี้ไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนครั้นแล้วปลูกพืชลงในเวลาอันควรครั้นแล้วไถน้ําเข้าบ้างไถน้ําออกบ้างตามคราวที่สมควร พิสูทั้งหลายกิจของข้าพเดี๋ยวชาวนาที่เขาต้องทําก่อนแห่งการได้มาซึ่งเข้าเปลือกมีสามอย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นกิจที่ภิกษุจะต้องทําก่อนแห่งการได้มาซึ่งมะผลมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรกันเล่าสามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งมรรคผลมีสามอย่างเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพืงสำเนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหละตั้งหน้าธรรมก็แล้วกันภิกษุทั้งหลาย กิจของข้าบดีชาวนาที่เขา ia. จะต้องรีบทํามีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือข้าบดีชาวนารีบรีบไถคลาดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนครั้นแล้วก็รีบรีบปลูกพืชครั้นแล้วก็รีบรีบขน้ำเข้าบ้างขน้ำออกบ้างภิสษุทั้งหลายกิจของข้าบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทามีสามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่า ข้าพเดียชาวนานั้นไม่มีฤทธ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าข้าวของเราจงงอกในวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกเมื่อรือนี้ดังนี้ได้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลย่อมจะงอกบ้างตั้งท้องบ้างสุกบ้างภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทํำมีสามอย่างเหล่านี้ สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่าภิกษุนั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่มีอุปาทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเมื่อรือนี้ดังนี้ได้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาที่เหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่งปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่งและปฏิบัติไปแมในปัญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทานได้เองภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้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 เครื่องมือละกิเลสภิกษุทั้งหลายก็เธอสา ม, มารถหรือที่จะศึกษาในสิกขาทั้งสคือในอธิศีและสิกขาในอธิจิตแลสิกขาและในอธิปัญญาสิกขาข้าพระองค์สา ม, มารถที่จะศึกษาในสิกขาทั้งสามนั้นพระเจ้าข่าภิกษุถ้าอย่างนั้น เธอจงศึกษาในศึกษาทั้งสามคือในอธิศีนและศึกษาในอธิจิตศึกษาและในอธิปัญญาศึกษาเถิดภิสุเมื่อใดแลเธอจักศึกษาทั้งศีนอันยิ่งบ้างทั้งจิตอันยิ่งบ้างทั้งปัญญาอันยิ่งบ้างเมื่อนั้นเธอผู้กําลังศึกษาในศีนอันยิง่งจิตอันยิง่งและปัญญาอันยิ่งอยู่จักละราคะละโทสะและละโมหะได้ เพราะการละราคะโทสะโมหะได้นั่นเองเธอจะไม่กระทำสิ่งอันเป็นอกุศลและจกไม่เสพสิ่งที่เป็นบาปโดยแท้เมื่อมีศีลควรส่งตนไปในแนวเผากิเลส ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมขสังวรมีมารยาทและโคจรสมบูรณ์อยู่เถิดจงมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายซึ่งมีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาในศสืขาบททั้งหลายเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยศีลเช่นนั้นแล้วอะไรเล่าเป็นกิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเดิอนอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนเตือนอยู่ก็ตามอภิชาและพยาบาของภิกษุนั้นก็ปราศจากไปแล้วถีนามิทะอุทจจะกุ ก, กุจจะวิจิกิกจฉาของเธอก็ละได้แล้วความเพียรก็ปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติ ก, ก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระ ง, งับไม่กระสับกระส่ายจิต ก, ก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งแน่ภิกษุทั้งหลาย ภิกสุที่เป็นได้เช่นนี้แม้จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนเตินอยู่ก็ตามเราเรียกว่าผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความกลัวต่อโทษแห่งวัตตะเป็นผู้ปราบรความเพียรติดต่อสม่ำเสมอเป็นนิดเป็นผู้มีตนทรงไปในแนวแห่งความหลุดพ้นตลอดเวลาดังนี้ อริยการตัดสินภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายอันเป็นศีลที่พระอริยาเจ้าพอใจคืองไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกรูปคลําด้วยตันหาทิฐิและเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ศีลอยู่เคียงคู่กับปัญญาเสมอพราหมณ์องค์สองประการนี้จะยกเสียอีกประการหนึ่งบัญญัติคนผู้ประกอบด้วยองค์เพียงประการเดียวว่าเป็นพราหมณ์และคนผู้ประกอบด้วยองค์เพียงประการเดียวเมื่อกล่าวว่าตนเป็นพราหมณ์ได้ชื่อว่ากล่าวชอบไม่ต้องกล่าวเท็จจะได้หรือไม่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญองค์สองประการ น, นี้จะยกเสียอีกประการหนึ่งหาได้ไม่เพราะว่า ศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกันศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิศในโลกข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเปรียบเหมือนคนล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉันใด ศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกันศีลอ ย, ยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปรรัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิอในโลกฉันนั้นเหมือนกันพรามข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละพรามศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์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 ระศีลและทิฏฐิให้บริสุทธิ์ก่อนพาหิยะถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิดก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่าสิ่งเบื้องต้นนั้นก็ได้แก่ศีลอันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีและทิฏฐิความเห็นที่ถูกตรงพาหิยะโดยการใดแลศีลของเธอเป็นศีลอันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดี และทิฏฐิก็จกเป็นความเห็นที่ถูกตรงโดยการนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเพิงอบรมสติปัฏฐานสีเ่เถิดสติปัฏฐานสี่อะไรบ้างสติปัฏฐานสี่คือภายะในกรณีนี้เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนือง จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองเนืองมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียภาหิยะโดยการใดแลเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจากอบรมสติประทานสีเหล่านี้อย่างนี้โดยการนั้นวันหรือคืนของเธอจกผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้การต่อมาพระพาหยะนั้นออกไปทำความเพียรจนได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งศีนเป็นฐานรองรับสติปทานสี่ภิกษุ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 เธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงอบรมสติปัฏฐานสี่ดวยวิธีทั้งสามเถิดสติปัฏฐานสีอะไรบ้างเล่าสติปัฏฐานสี่คือภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายณภายในอยู่เนืองๆก็ดีจงพิจารณาเห็นกายในกายณภายนอกอยู่เนืองๆก็ดีจงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกอยู่เนืองๆก็ดีเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพืงกําจัดอภิชาและทมนัดในโลกเสียในเวทนาจิตและธรรมก็ตรัสทานองเดียวกับในกายภิกษุแต่การใดแลเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจากอบรมสติปัฏฐานสีเหล่านี้โดยวิธีสาด้วยอาการอย่างนี้แต่การนั้นคืนหรือวันของเธอจากผ่านไป โดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้การต่อมาภิกษุรูปนั้นออกไปทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ศีนเป็นฐานรองรับสติปฐานสี่อีกในหนึ่งพิกษุถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์เสียก่อนเถิดก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่าพิกษุในกรณีนี้เธอจงเป็นผู้สำรวมด้วยปาิโมกสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร อ, อยู่เถิด จงมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศึกขาบททั้งหลายภิกษุโดยการดแลเธอจักสำรวมด้วยปฏิโมคะสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสึกขาบททั้งหลายโดยการนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเพึงอบรมสติปทานสี่เถิด สติปฐานสี่อะไรบ้างเล่าสติปฐานสี่คือภิกสุในกรณีนี้เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองเนืองเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ภิกษุแต่การใดเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจากอบรมสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้แต่การนั้นคืนหรือวันของเธอจกผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ครั้งนั้นภิกษุรูปนั้นทราบซึ้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักลุกจากอาสนะถวายอภิวาสทำประทักศิลแล้วหลีกไป ต่อมาเธอปลีกตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทเพียรเผากิเลสส่งตนไปในแนวธรรมจนสามารถทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันเป็นประโยชน์ชั้นยอดได้ไม่นานด้วยปัญญาอันยิ่งเองทันตาเห็นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล ศีลเป็นฐานรองรับโพชงเจ็ดพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสําเร็จอิเรียบสีคือเดินในบางคราวยืนในบางคราวนั่งในบางคราวนอนในบางคราวสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่เหนือแผ่นดินจึงสําเร็จอิเรียบสีนั้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายฉั้นนั้นเหมือนกันภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้ว ย่อมอบรมพ่อชงเจดให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำพ่ชงเจดให้มีมากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมพ่อชงเจดให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำพ่อชงเจดให้มีมากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสติสัมโพชงย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมอบรมวิริยะสัมโพชง ย่อมอบรมปิติสัมโพชงย่อมอบรมปัสถิสัมโพชงย่อมอบรมสมาธิสัมโพชงและย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมโพชงเจตให้เกิดขึ้นได้ ย่อมทําโพชฌงเจ็ดให้มีมากขึ้นได้ศีลเป็นฐานรองรับอริยมรรคมีองค์แปดิกษุทั้งหลายการงานประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องทาเลือกกำลังอันบุคคลกระทําอยู่ การงานเหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินบุคคลจึงทำการงานที่ต้องทำด้วยกําลังเหล่านั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอาริยามากมีองแปดให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอาริยามากมีองแปดให้มากขึ้นได้ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้ว ย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์แปดให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอาริยมรรคมีองค์แปดให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากรรมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติ และย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่โอนไปสู่นิพพานเอนไปสู่นิพพานเอียงไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหลภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมอบรมอริยมัจมีองแปดให้เกิดขึ้นได้ย่อมทําอาริยมักมีองแปดให้มากขึ้นได้ ศีลและสมบัติเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคพิษุทั้งหลายเมื่ออาทิตย์อุไทยขึ้นกลางขึ้นมาแห่งอรุณ์แสงเงินแสงทองย่อมเป็นเบื้องต้นเป็นนิมิต ท, ที่แลเห็นก่อนภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดของภิกษุศีลและสมบัติความถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นหลักเบื้องต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่าเธอจกักอบรมอริยะอทาทังขิกรรมักให้เปิดขึ้นได้จากทําอริยะอาทังขิกรรมักให้มากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอาทังขิกรรมักให้เปิดขึ้นได้ย่อมทําอริยะอาทังขิกรรมักให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ทิสุพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอาาัตถังคิยกรรมะให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอาทาทัทถังคิกรรกให้มากขึ้นได้ศีลและสมบัติเป็นธรรมมีอุปการะมากชั้นเอก ภิกษุทั้งหลายธรรมชั้นเอกเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งอริยะอาถางคิ่กรรมมักมีอยู่ธรรมชั้นเอกนั้นเป็นอย่างไรเล่าธรรมชั้นเอกนั้นได้แก่ศีลละสมบัติความถึงพร้อมด้วยศีลภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่าเธอจกอบรมอริยะอาถังคิกรรมักให้เกิดขึ้นได้ จากทำอริยะอาถังพ์ที่กำมักให้มากขึ้นได้ภิษุทั้งหลายพิษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอาถังพที่กำมักให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอาถังพ์ที่กำมักให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิษุทั้งหลายภิษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะ ย่อมอบรมสัมมาอาชีวะย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติและย่อมอบรมสัมมาสมาธิชนิดที่มีการนำออกซส่งราคะโทสะโมหะเสียได้เป็นผลสุดท้ายภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหลภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอา ท, างทังขีฆมักให้เกิดขึ้นได้ย่อมทาอริยะอา ท, างทังขีฆมักให้มากขึ้นได้ ศีลและสมบัติช่วยทําให้อริยมรรคเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นทำชนิดอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะทําอริยะอธรรมขี้ขมักอันยังไม่บังเกิดให้บังเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วให้ถึงความเจริญเต็มที่เหมือนอย่างศีลสมบัติความถึงพร้อมด้วยศีล น, นี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเธอต้องหวังข้อนี้ได้คือว่า เธอจักอบรมอริยะอาถรรพ์กรมมรคให้เกิดขึ้นได้จักทำอริยะอาังคิกรมมรคให้มากขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมอบรมอริยะอาถรรพ์ทกรมมรคให้เกิดขึ้นได้ย่อมทำอริยะอาถรรพ์ที่กรมมรคให้มากขึ้นได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะ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 ย่อมทำอริยะอาทางคีกมักให้มากขึ้นได้ผู้มีศีลจากถึงแก่นธทรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อศีลมีอยู่อวิปปติสารของผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัย เมื่ออวิปติสารมีอยู่ความปราโมทของผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปติสารก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อความปราโมทมีอยู่ปิติของผู้สมบูรณ์ด้วยความปราโมทก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อปิติมีอยู่ปัตธิของผู้สมบูรณ์ด้วยปิติก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อปัตติมีอยู่สุขของผู้สมบูรณ์ด้วยปัตติก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัย เมื่อสุกมีอยู่ ampa. สัมมา ส, สมาธิของผู้สมบูรณ์ด้วยสุกก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตยานทัศนะของผู้สมบูรณ์ด้วยส ah ัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อยถาภูตยานทัศนะมีอยู่นิพิทาวิราคะของผู้สมบูรณ์ด้วยยธถาภูตยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่ วิมุติญาณทัศนะของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยนิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเกตเปลือกนอกของมันก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพี้ก็บริบูรณ์แก่งก็บริบูรณ์ด้วยนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมือ่อศีลมีอยู่อวิปปิสารของผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัย ละถึงเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาทณทัศนะของผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยฉันนั้นเหมือนกันแลออำนาจศีลที่เป็นตัวกุศล ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลอันเป็นกุศลทั้งหลายมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสง์ท่านพระอานนท์เรียกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอานนท์กุศลลศีลทั้งหลายมีอวิปติสารความไม่ร้อนใจเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอวิปติสารเป็นอานิสง์ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปติสารมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสง์ อานนุ์อวิปติสารมีความปราโมทเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีความปราโมทเป็นอานิสงค์ข้าแต่พระองค yes, ์ผู <Yes, ้เจริญก็ความปราโมทมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอนิสงค์อานุ์ความปราโมทมีปิติเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปิติเป็นอนิสงค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปิติมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอนิสงค์ นอานน์ปีติมีปัสสติเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปัสสติเป็นอนิสง์ฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัสสติมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงฆค์อานอน์ทีป็นสัสสติมีสุขเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสุขเป็นอนิสง์ฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สุขมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอนิสง์อานอน์สุข มีสมาธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสมาธิเป็นอนิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมาธิมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอนิสงส์อานน์สมาธิมียถาภูตยานทัศนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมียถาภูตยานทัศนะเป็นอนิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยถาภูตยานทัศนะมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอนิสงส์ อานนุ์ยถาภูตยานทัศนะเมนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเมนิพพิทาวิราคะเป็นอนิสง์ฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสง์อานน์นิพพิทาวิราคะมีวิมุติยานทัศนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีวิมุติยานทัศนะเป็นอนิสง์อานน์ ด้วยอาการอย่างนี้แหละภูสุนทรศีลทั้งหลายมีอวิปปิสารเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอวิปปิสารเป็นอานิสง์อวิปปิสารมีความปราโมทเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีความปราโมทเป็นอานิสงความปราโมทมีปิติเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปิติเป็นอานิสง์ปิติมีปัสสธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีปัสสติเป็นอานิสง์ปัสสติมีสุขเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีสุขเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิมียะถาภูตยานัทสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมียะถาภูตยานัทสนะเป็นอนิสงส์ยะถาภูตยานัทสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีนิพพิทาวิราคะเป็นอนิสงส์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติยาทัทสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีวิมุติญาณทัศนะเป็นอานิสงส์อานนท์กุศลศีลทั้งหลายย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้เต็มได้โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้แหลออนิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้สมบูรณ์ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดพวกเธอทั้งหลายจงสำรวมด้วยปฏิโมขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาและโครจร อ, อยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิขาบททั้งหลายเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเป็นที่รักที่เจริญใจที่เคารพที่ยกย่อง ของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายดังนี้แล้วเธอพึงทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้มีเขินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญาคารวัตเจริญ ง, งอกงามเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าพิสษุน์หากจํานงว่าเราพึงเป็นผู้มีลาบด้วยบริขารเฟอรจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีฬานปั จ, จัจเพศสัพพเดารทั้งหลายดังนี้ก็ดีและถึงภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราบริโภคจีวรนเบนทบาทเสนาสนะและคีฬานปั จ, จัยเพศสัพพเดชารของทายกเหล่าใดการกระทําเหล่านั้นเพืงอมีผลมากมีอนิสง์มากแก่ทายกเหล่านั้นดังนี้ก็ดีภิษุทั้งหลายถ้าภิสุหากจำนงว่า ญาสาโลหิตทั้งหลายซึ่งตายจากกันไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราอยู่ข้อนั้นจะพึงมีผลมากมีอานิสงส์มากแกเขาเหล่านั้นดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงอดทนได้ซึ่งความไม่ยินดีและความยินดีอันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าเบียดเบียนเราเราพึงครอบงำย่ำยีความไม่ยินดีซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิดดังนี้ก็ดี พิกษุทั้งหลายถ้าพิกษุหากจำนงว่าเราพึงอดทนความขลากลัวได้อันหนึ่งความขลากลัวอย่าเบียดเบียนเราเราพึงครอบงำย่ำยีความขลาดกลัวที่บังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิดดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารดังนี้ก็ดี ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าวิโมกเหล่าใดก้าวล่วงรูปเสียแล้วเป็นธรรมไม่มีรูปเป็นของสงบเราพึงถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยนามกายอยู่เถิดดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยสามเป็นผู้มีอันไม่ตกตามเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีการตรัสรู้อยู่ข้างหน้าดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุห่าจำนงว่าเราพึงเป็นสกทาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยษสามและเพราะความเบาบางแห่งราคะโทสะและโมหะพึงมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นและพึงทําที่สุดแห่งทุกได้ดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุห่าจำนงว่าเราพึงเป็นโอปปาติกะ เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพึงปรนิพานในภพนั้นไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าพิสษุหากจำนงว่าเราพึงแสดงอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆได้ดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าพิสษุหากจำนงว่าเราพึงมีที่พยโส ด, ดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่า เราใคร่ายโนแล้วพึงรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิตของตนดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าพิกษุหากจำนงว่าเราพึงตามระลึกถึงภพที่เคยอยู่ในการก่อนได้หลายๆอย่างดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหากจำนงว่าเราพึงเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยจักษุทิพย์อันหมดจดเกินจักษุสามัญของมนุษย์ดังนี้นก็ดีภิษุทั้งหลาย ถ้าภิสูหหากจำงว่าเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตัอนหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏ ธ, ธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแผงจิตในภายในเป็นผู้เมเขินห่างในฌานประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปัสสนา และให้วัดแห่งผู้อยู่ศูนย์ยาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิคดคําใดที่เราผู้ตถาคตกล่าวแล้วว่าที่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดเธอทั้งหลายจงสำรวมด้วยปาติโมขะสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณเล็กน้อยจะมาทานศึกษาในเสกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ คำนั้นอันเราตาคตอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้แหลจึงได้กล่าวแล้วผู้อยู่เหนือความหวังภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าชื่อว่าผู้อยู่เหนือความหวังเสียแล้ว ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอระหันต์ขีณาศพเธอนั้นได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้ได้กระทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลวอยู่ดังนี้เธอไม่อาจมีความคิดว่าเมื่อไร่เล่าแม้เราจะกระทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่บ้างดังนี้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะว่าความหวังในวิมุตติของเธอเมื่อก่อนหน้าที่เธอยังไม่รู้ถึงวิมุตตินั้นได้ระ ง, งับไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายนี้แลเราเรียกว่าคนอยู่เหนือความหวัง เมื่อราชาเมกกำลังภิกษุทั้งหลายคราวใดพระราชาเมกกำลังและพวกโจรเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็มีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าบดีก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอํานวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย คราวใดพวกพิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกาลังพวกพิกษุลามกเสื่อมกําลังลงคราวนั้นผู้พิกษุลามกจําต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ากลางสงโดยเหตุที่ต้องเป็นพวกหลนไปเองชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเหตุเช่นนี้มีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทําให้มหาชนมีความสุขเป็นความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมากและเพื่อความเกลื้อกูลเป็นความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันแลประสบบุญใหญ่ภิสุทั้งหลายนัก บ, บวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมาก ด้วยฐานะห้าอย่างฐานะห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง 3. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมนทินเคอความตรณีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักิ์อันใหญ่ 4. ีในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติ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 นักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้แหลหมดที่สิบจบ